หน้าตาเป็นมนุษย์กบเหมือนกัน <laughs> เหมือนกบนะยิ่งตอนพูดเนะยิ่งเหมือนไงอย่าไปเชื่อนะว่ามันจะกันได้ <laughs> ใส่ไว้สบายใจที่มันมีประโยชน์คือมเป็นประโยชน์กับคนที่ไม่สบา ย, ยคนป่วยจะได้ไม่ไอไม่จามกระจายมากไปไวรัสตัวเล็กนิดเดียวถูผ้าคแค่นี้ไปกันเลย กันน้าลายกระเด็นงั้นคนไหนไม่สบายก็อย่าเพิ่ง อ, ออกจากบ้านอย่าไปที่ที่จะไปแพร่เชื้อให้คนอื่นเขาต้องเลี่ยงอย่างนั้นนะคนไหนไมอยู่ในกลุ่มเสียงนะ ก, ก็ค่อยใสหน้ากากคนปกติอยู่ทั่วๆไปไม่น่าจะจำเป็นเท่าไหร่แต่เต่ยงอยู่โรงพยาบาลอะไรก็ต้องใสนะ เราต้องใส่แว่นด้วยสุดท้ายอย่าไปเชื่อมันอย่าไปเชื่อว่ามันจะกันได้ร้อยเอร์เซ็นต์เห็นใครไม่สบายก็ออกห่างๆคนไหนไม่สบายก็อย่าเพิ่งมาวัดไว้ให้หายก่อนแล้วค่อยมาหรือเกิดตายไปก็ไม่เป็นไรตายแล้วมาเรียนต่อได้นะมีเยอะแยะไปนะ ช่วงนี้นัคนภาวนาดีขึ้นเยอะเลยเพราะว่ามีมรณสติยิ่งมีข่าวมากๆนะเจริญสติกันดีมากๆเยอะเลยเมื่อวานนี้หมอโอ๊ตหมอโรงพยาบาลสมเด็จสีราชามาหมอโอ้หม อ, อ, หมอภาวนาดีเนี่ยงานหนักมากเลยครับคนป่วยน่ากลัวนั้นเลยหมอก็กลัวนะยิ่งกลัวนะก็ยิ่งใคายดูของตัวเอง เวลาคิดถึงความตายแล้วก็จะไม่ประมาทจะรีบสร้างคุณงามความดีให้ตัวเองถ้าหลงระเริงนะว่าจะอยู่อีกนานอะไรเงีย้ยยางประมาทอยู่ไปจะอยู่ไปได้นานๆไว้อายุเยอะๆแล้วค่อยภาวนาอะไรเงี้ยยิ่งอายุมากยิ่งภาวนายากนี่เป็นธรรมชาติเลยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจิตเหมือนน้ำนะมีธรรมชาติไหลลงที่ต่ํา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 อยสมัยพุทธกาลก็มีท่านหนึ่งคือพระมหากัสปะท่านออกบวชเมื่ออายุหกสิบหมดพ่อแม่แล้วท่านออกมาบวชแสดงว่าพ่อแม่ท่านก็อายุยืนยุค ข, ของเรานี้ก็มีหลวงตาผนึกออกมาบวชเมื่ออายุหกสิบท่านเหล่านี้ท่านภาวนาเข้มแข็งมากอย่างหลวงตาผนึกภาวนาเข้มแข็งท่านบอกว่าบวชเมื่อแก่แล้วไม่รู้ว่าจะเอาตัวรอดไหมอะไรเงี้ยจะขยัน พวกเราคนหนุ่มคนสาวภาวนาบางทีก็เหยาะๆยะแยะๆยะคิดถึงความตายไว้บ้างก็ดีเหมือนกันแหละการภาวนานะ่ให้มีสติรู้กายรู้ใจไปรู้ไปอย่างสบายๆแต่ต้องขยันรู้ตรงที่ต้องขยันรู้นี่แหละโหหนักมากเลยอย่างบางคนบอกพิธีปฏิบัติของหลวงพ่อนี่แสนจะสบายนะ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 ร่างกายไม่มีอะไรเด่นจิตมันเคลื่อนไหวขึ้นมามันไปเด่นอยู่ที่จิต ม, ม่รู้ที่จิตนี่ฝึกอย่างนี้ทุกวันทุกวันนะตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นรถไปทํางานขึ้นรถเมย์เนะขาดูใจของเราไปเรื่อยๆหรือมันเหนื่อยมันเมื่อยขึ้นมานะก็รู้ที่กายเห็นกายมันทุกข์นะใจไม่ทุกข์ดูไปเรื่อยกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่ง ไปทำงานนะเช่นเข้าไปไประชุมบางวันเห็นหน้าคนที่มาประชุมนะเราก็เซงๆงรู้เลยพวกพูดมากแต่ไม่มีเนื้อหาพวกนี้เยอะนะแล้ว เ, เป็นใหญ่เป็นโตในราชการเยอะมากเลยบางคนเราเห็นหน้ า, างี้ปุ๊บ ه, ไอ้นี่ใหม่ละใจเราเซ่งเลยนะรู้ว่าเซงบางคนเราเห็นหน้านะอุ้ยนี่จู้จี้คนนี้จู้จี้เจ้าเราเบียบมากเลยเห็นแล้วชักเครียดแล้วเดี๋ยวต้องมาซักเรื่องเปเปอร์เรา อย่างดุเดือดอะไรเงี้ยเครียดรู้ว่าเครียดทํางานาวันนี้ทําได้ดีอะไรเงี้ยฟีเซนได้ดีทําเอกสารได้ดีอะไรเงี้ยผู้ใหญ่ชมรัฐมนตรีชมอะไรเงี้ย ใ, ใจเราดีใจเรารู้ว่าดีใจนี่ภาวนานะภาวนาไม่ได้มีละเว้นเลยเวลาทํางานตั้งใจทํางานไปจดจ่ออยู่กับ ง, งานไม่ใช่เวลาจเจริญสติแล้ว เป็นเวลาที่ต้องรู้เรื่องงานทํางานไปพอทำงานไปนะัอยากให้งานเสร็จเร็วๆเนี่ยใจมันอยากขึ้นมารู้ทันว่าอยากนี่กิเลสแทรกและไม่ใช่งานแล้วความอยากไม่ใช่งานนะอยากให้งานเสร็จไวๆอยากจะไม่ให้มีใครกวนนะโทรศัพท์มาบ่อยๆเดี๋ยวกลิ้งเดี๋ยวกลิ้งนะฟังแล้วหงุดหงิดนะหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดหงุดหงิดมากๆกำลังแกล้งนะวางไว้นอกเครื่อง ให้หูมันเหลื่อมไปหน่อยไี่ภาวนานะทั้งวันเลยทั้งวันกลับมาบ้านถึงบ้านอาบน้ำกินข้าวอะไรนะถึงเวลาพักผ่อนดูโทรทัศน์นิดๆหน่อยๆขี้เกียจ ด, ดูไรสาระแต่จำเป็นต้องดูเป็นขลาวันไม่รู้สถานการณ์เลยทำอาหากินไม่ได้ดูไปเราก็เห็นแต่ใจเรา สัง เ, เกตไหมดูโทรทัศน์เนี่ยกุศลหรืออกุศลเกินบ่อพวกเราภาวนานแล้วดูออกไหมดูโทรทนะัศน์เน่ยอกุศลเกิดแทบตลอดเวลาเลยเช่นมันโฆษณาอย่างนี้อยากได้นี่ก็อกุศลใช่ไหมข่าวคนนี้ด่ากับคนนี้ตีกับคนนี้นะก็อกุศลอีกข่าวของแพงน้ํามันแพงอะไรแพงขึ้นมาข้าวแพงนะก็อกุศลอีกฟังแล้วใจคอไม่สบาย เราก็ดูใจของเราเรืนะ่อยๆยิ่งละครนะหลวงพ่อไม่ดูเลยไม่ชอบดูเสียเวลามันทำแต่หน้านะจิตมันไม่เป็นนะบางคนมันทำถึงจิตด้วยนะมาไปเห็นนะโหน้าสงสารนะมันเตรียมมาไปอบายแล้วมันปรุงอกุศลขึ้นในตัวเองเลยไม่ชอบดูละครทั้งหลานยะเอาเวลาก่อนนอนนะไปนั่งสมาธิ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 เห็นอยนู่ทั้งวันทนะั้งคืนภาวนาถ้าพูดเรื่องว่าสบายก็สบายนะก็เหมือนไม่ต้องทําอะไรไม่ใช่ว่าต้องไปอดข้าวไปเดินทุดงในป่าอะไรเงรี้ยไม่ได้เป็นแต่พูดเรื่องหนักนี่หนักสาหัสน ะ, จะเจริญสติทั้งวันจเจริญสติทั้งคืนเห็นอะไรเห็นได้ทุกสิมีสติอยู่นะกายก็ทุกข์ใจก็ทุกข์นะเห็นมันทำงานตลอดเวลาน่าเบือ่อเนี่ยตามรู้ตามดูเรื่อยๆนะ เวลาไปส่งกันบ้านครูบาอาจารย์บางทีพวกพระมาฟังด้วยพอเราคุยกับครูบาอาจารย์บางวัดนะยัยชีมีใัยชีอยู่ทางเข้าวัดพอเราเดินเข้าวัดปุ๊บยัยชีจะรีบวิ่งไปรอบวัดเลยไปส่งข่าวอีตาคนนี้มาลนะไม่รู้ว่าชื่ออะไรหรอกไม่เคยบอกเดี๋ยวเข้าไปกุติครูบาอาจารย์ทั้งพระทั้งชี ไปฟังฟังการส่งกันบ้านหลวงพ่อไม่เคยส่งกันบ้านครูบาอาจารย์บอกว่าช่วงนี้ผมขี้เกียจไม่ได้ภาวนาประโยคนี้ไม่มีเป็นประโยคที่แสลงหูแสลงใจที่สุดเลยพวกเราอย่าส่งกันบ้านอย่างนั้นได้โปรดนะถ้าจะส่งกันบ้านว่าช่วงนี้ผมขี้เกียจภาวนาต้องเงียบๆซะดีกว่าหลวงพ่อจะอายุยืนขึ้น <c oughs> เราส่งกันบ้านนะไปหาอย่างหลวงปูเทศส่งกันบ้านท่าน ออกจากท่านมานะหมดสนทนาทำหมดแล้วออกมาดีพระตามออกมานะพระเคยมาถามหลายองค์หลายครั้งโนะยมทำได้ยังไงบพระทำสิบปียี่สิบปีไม่ได้เท่าโยมผมทำทั้งวันนะทำตั้งแต่ตื่นจนหลับนะมีบ้างะทะเลทลายไปเที่ยวไปเล่นมีบ้างไม่ใช่ว่าสีเรียสปฏิบั ต, ติตลอดเวลา แต่ไม่เคยไปเทลยถลายจนกระทั้งลืมการปฏิบัติเลยตามรู้กายตามรู้ใจของเราไปเรื่อยๆนะช่วงไหนจิตใจมันฟุ้งมากดูไม่ออกก็ทำสมถะทาความสงบเข้ามาสมถะก็อย่าทิ้งนะพกเราคนไหนทำสมถะได้ก็ต้องทำแต่ต้องทำสมถะที่ถูกสมถะที่ส่วนใหญ่ทำมันเป็นมิจฉาสมาธิทำแล้วขาดสติอันนั้นอย่าไปทา บางคนไม่เข้าใจว่าหลวงพ่อบอกอย่าไปทําสมถะเราบอกอย่าไปทํามิจฉาสมาธิให้ทําสัมมาสมาธิทําสมถะก็ต้องรู้สึกตัวไม่ใช่ทําสมถะแล้วก็เคลิ้มง้อแงอง้แงลืมเนื้อลืมตัวเหลวไหลนั้นไม่ได้ปฏิบัติแล้วนี่คนส่วนใหญ่เวลาลงมือปฏิบัติในรูปแบบมืนนั่งสมาธิเดินจงกลมส่วนมากเลยไปทํามิจฉาสมาธิขึ้นมาไม่ใช่สัมมาสมาธิทำแล้วไม่มีสติจริง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 ต, ต้องทำสมถะนะต้องทำสมถะแบบไม่ให้ขาดสติ uh. ให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูรู้ลมหายใจนก็มีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นร่างกายหายใจดูท้องพองยุบก็มีจิตเป็นผู้รู้ผ e ู้ right. ดูนะ right เห็นท้องมันพองท้องมันยุบไม่ใช่เราพองเรายุบรู้อิริยาบท4ยืนเดินนั่งนอนก็มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูจิตมันอยู่ต่างหากเป็นคนดูนะเห็นกายมันยืนเดินนั่งนอนไปไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอน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 ไม่ใช่เก่งนะว่าไม่ได้เรื่องไม่ใช่ว่าภาณาเก่งจิตออกไปรู้ไปเห็นข้างนอกนิ่เที่ยวอยู่ข้างนอกเนี่ยหลายวันต่อมามันเกิดเฉลียวใจขึ้นมาว่า อ, ออกไปดูเทวดาเราพวไม่ได้เป็นเทวดานะไปดูเดี๋ยวก็กลับมาไปเจอเทวดาเราไม่กลัวแนละ้วไปเจอผีจะทำไงกลัวผีอ่ต่อมานี้หายใจเนี่ยนะจะไม่ให้ลืมตัวเลยหายใจแล้วพอเคลิมเนี่ยนะหายใจแรงขึ้นนิด น, นึง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 งานหลักเราต้องผลิตสินค้าฝ่ายบุคคลฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายอะไรพวกนี้เป็นงานสนับสนุนทั้งหมดถ้าไม่มีงานสนับสนุนงานหลักก็มีอุปสรรคเพราะฉะงานหลักของเราก็คือเจริญวิปัสสนามาเจอหลวงปูดูลแล้วถึงได้ทําวิปัสสนาเป็นแต่เดิมเราก็ดูไปเพื่อเอาความสงบอย่างเดียวนะแต่ว่าไม่ขาดสติสงบแบบไม่ขาดสติ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 ทุกอย่างมันผ่านมาก็ผ่านไปทุกอย่างเกิดได้ก็ดับได้ไม่มีนะของถาวรสุขถาวรไม่มีทุกถาวรไม่มีกุศลอกุศลถาวรไม่มีเห็นไปเรืยใจมันก็ค่อยยอมรับความจริงมากขึ้นมากขึ้นจิตใจที่ยอมรับความจริงนะจะไม่ทุกนะจะทุกน้อยลงน้อยลงจิตใจที่ไม่ยอมรับความจริงนั่นแหละทุกอย่างเราต้องแก่เนี้ยเรายอมรับไม่ได้ว่าแก่ก็กลุ่มใจนะ เราต้องเจ็บเรายอมรับไม่ได้ว่าเจ็บก็กรุ่มใจเราจะต้องตายพอใกล้ตายเรายอมรับไม่ได้กากรุ่มใจเราต้องพลัดพลากจากสิ่งที่เรารักเรายอมรับไม่ได้เราก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเราต้องเจอสิ่งที่เราไม่รักบ้างเน re ี่ยถ้าเรายอมรับความจริงตรงนี้ไม่ได้เราก็ทุกข์ขึ้นมาการที่เรามาเจริญวิปัสสนาเนี่ยจนกระทั่งเราเห็นความจริงว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปบังคับมันไม่ได้หรอก สิ่งทั้งหลายนั้นถ้ามีเหตุมันก็เกิดถ้าหมดเหตุมันก็ดับไปใจมันยอมรับตรงนี้ได้นะมันจะมีความสุขขึ้นเยอะหน่พรพะมันยอมรับสภาวะที่กำลังปรากฏต่อหน้าต่อตาได้นะ้ใจแก่ขึ้นมามันธรรมดาก็ไม่ทุกนะใจเจ็บขึ้นมามันธรรมดามันก็เจ็บแต่กายใจไม่เม่เจ็บไปด้วยจะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะจนปัญญามันเกิดใจก็ยอมรับความจริง ยอมรับความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเรานี้ไม่เที่ยงนะทุกอย่างในชีวิตมีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาความสุขก็ถูกบีบคั้นมีความสุขอยู่ได้เดี๋ยวเดียวความสุขก็หายไปละทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งได้เนี่ยเฝ้ารู้จนใจยอมรับตรงนี้นะแต่ก็ค่อยคลายความดิ้นรนลงไป และคลายความดิ้นรนใจก็เข้าไปสู่ความสงบสันติมากขึ้นมากขึ้ น, านภาวนาแล้วเข้าสู่ความสงบสันติการเข้าสู่ความสงบสันติทําได้หลายแบบทําด้วยสมถะก็ได้แต่มันสงบช่วครั้งชั่วคราวแต่ถ้าจเจริญปัญญานะจนจิตมีปัญญาจิตยอมรับความจริงและสภาวะทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ทั้งกายทั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างไหลมาไหลไปยอมรับตรงนี้ได้ ใจจะค่อยคลายความทุกข์นะใจเข้าสู่ความสงบมันสงบได้ยังไงเช่นความทุกข์เกิดขึ้นเนะื้อคนซึ่งใจไม่ยอมรับความจริงก็จะดิ้นเวลามีความทุกขนะ์เนี่ยใจจะดิ้นรนใหญ่เลยหนีความทุกข์ดิ้นดินยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์นะพอมีความสุขขึ้นมาใจก็หลงระเริงดิ้นรนนะอยากให้มันอยู่นานๆเพราะมันไม่อยู่กับทุกข์อีกแล่ะใจมันทํางานขึ้นมาเพื่อทุกข์ แต่พอยอมรับความจริงนะความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวความสุขเกิดขึ้นก็ไม่หลงระเริงใจก็สงบสบายความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่ทุรนทุรายรู้ว่ามันอยู่ชั่วคราวใจก็สงบใจก็สบายเราพอนานไปนะสุดท้ายเราได้ความสงบได้ความสบายได้สันติสุขสันติสุขนั่นแหละคือนิพพานนะตอนนี้เราก็ได้สันติเล็กๆน้อยๆ มีสติขึ้นมากิเลสระงับไปชั่วคราวใจก็สงบเข้ามานะนิพานนิดๆหน่อยๆนิดหน่อยเ น, น, นใจมีราคะมากพิจารณาปฏิกูลพิจารณาสุภาษอันนี้เป็นสมถะใจก็สงบจากราคานะก็เป็นนิพานหน่อยๆเป็นนิโรธชนิดหนึ่งนิโรธพระสมถะนิโรธพระวิปัสสนา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 เาวิปัสนาเช่นราค่าเกิดขึ้นมามีสติรู้ทันราค่าก็ดับไปนะผ่านมาผ่านไปไม่เข้ามาปรุงจิตจิตจะไม่ดิน้นรนนี่คือนิโรธภาวิปัสนานิโรธถัดจากนั้นการเกิดอริยมรรคเกิดอริยผลนิโรธอะไรสุดท้ายอลไสูงสุดคือนิพพานนิพพานเป็นสันติมีความสงบเป็นความสันติ เราภาวนานะวันหนึ่งเราเข้าถึงสันติภาพที่แท้ จ, จริงในโลกไม่มีสันติภาพหรอกยิ่งเรียกร้องสันติภาพก็แสดงว่าไม่มีสันติภาพยิ่งเรียกร้องสามารถขี่แสดงว่าไม่สามารถขีนะ่ในโลกไม่มีหรอกความสงบที่แท้ จ, จริงเพราะในโลกเต็มไปด้วยกิเลสทันหาอย่าไปหวังเลยว่าบ้านเมืองจะสงบในโลกนี้ในบ้านเมืองนี้ไม่เคยสงบเลยสัตว์ทั้งหลายเบียดเบียนกันตลอดเวลาสงครามไม่เคยยุติ ร้อกิเลสไม่เคยยุติเราภาวนานะจนเห็นความจริงในไกาในใจภาวนามากเข้ามากเข้าใจเราสงบใจเราสันตินี่เราเจอแล้วสันติภาพตัวจริงจิตใจที่เข้าถึงสันติเข้าถึงความสงบนี้มีความสุขอันมหาศาลเป็นความสุขที่ไม่อิงอาศัยสิ่งอื่นไม่อิงอาศัยคนอื่นเป็นความสุขเป็นความเต็มอิ่มอยู่ในตัวเอง วันนิพพานนึ่งเป็นสุขที่สุดเขาเรียกว่านิพพานังปรามังสุ ข, ขงังนิพพานเป็นบรมสุขไม่มีสุขใดเท่าพวกเราพอนานะเราจะเข้าใกล้นิพพานครับไปทุกทีทุกทีเราจะเห็นความจริงของชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆทั้งกายทั้งใจความจริงของมันคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นความจริงมากเข้ามากเข้านะใจะยอมรับความจริงได้มากเข้ามากเข้าใจกลับมีสันติสุขมากเข้ามากเข้า แม้นรู้ตามความเป็นจริงก็เบื่อหน่ายคลายกำนัดแล้วก็หลุดพ้นนะมีความสุขสุขชนิดนี้เป็นสุขที่ไม่อิงอาศัยคนอื่นไม่อิงอาศัยสิ่งอื่นมันก็เลยเป็นสุขที่เสถียรนะมีความสุขที่ค่อนข้างคงที่แต่ไม่ใช่ว่าจิตพระระหันมีความสุขตลอดเวลาจิตพระระหันยังมีเวทนาสองชนิดนะมีโสมนัตมีความสุขขึ้นมาเบิกบานอิ่มเอิบ กามีอุเบกขาอุเบกขาก็จัดว่าเป็นความสุขเหมือนกันจะเป็นความสุขที่ปรนะนีตรวมความก็คือมีความสุขนั่นแหละแต่ว่าสุขสองชนิดสุขหนึ่งเป็นโสมนัสนะอิ่มเ อ, อิบเบิกบานขึ้นมาสุขหนึ่งเป็นอุเบกขามันก็ไม่คงที่เหมือนกันนะเดี๋ยวก็เป็นโสมนัสเดี๋ยวก็เป็นอุเบกขาไม่มีสิ่งใดเกิดแล้วก็ไม่ดับนะ สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับทั้งสิ้นค่อยๆฝึกค่อยๆรู้ค่อยๆดูจนใจยอมรับความจริงใจยอมรับความจริงได้ก็พ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นถามว่าพวกเราภาวนากันปางตายสู้ตายกันภาวนาไปนี่เพื่อได้อะไรมาได้สัมมาทิฏฐิมาไม่ได้อย่างอื่นนะไม่ใช่ว่าได้สุขถาวอนได้สวัสถาวอนได้ดีถาวอนไม่ใช่ภาวนาแทบตายเนี่ย ได้ความจริงได้การยอมรับความจริงคือได้ตัวสัามาทิฏฐิมารู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจรู้ความจริงของโลกโลกก็คือรูปกระนามนั่นเองเราเรียนรู้โลกได้โดยการเรียนรู้ตัวเองโลกนี้ก็มีแต่รูปประธรรมกระ n ม m มาทำเรียนรู้ตัวเองตัวเองตัวเราเองก็มีแต่รูปประธรรมนามารมถ้ารู้ตรงนี้แจ้งนะก็รู้ทั้งหมดเลยรู้หนึ่งอะตอมนะก็รู้จักรวาลนะ รู้ส่วนน้อยเนี่ยถ้ารู้ซึ้งนะก็รู้ทั้งหมดได้ให้เราเรียนลงในกายในใจนะเรียนโลกตรงนี้แหละคำว่าโลกในความหมายของศาสนาพุทธเนี่ยท่านบอกคืออะไรโลกคือกายที่ยาวหนึ่งประมาณหนึ่งวาหนาะประมาณหนึ่งคืบกว้างประมาณหนึ่งศอกโดยประมาณนะอย่างหลวงพ่อก็เกินเกินคืบเกินศอกแต่ยาวเนี่ยยาววา วาหนึ่งแปลว่าสองเมตรไหมไม่ใช่วาหนึ่งคือขนาด น, นี้ของตัวเองวาของใครของมันนะยกเป็นอย่างเล่าปีวายาวผิดปกติเพราะมือยาวถึงหัวเขาเล่าปีมือยาวถึงหัวเขาหรือเล่าปีขาสัน้น <laughs> ในตำราไม่ได้บอก <c oughs> บอกแต่ว่ามือถึงหัวเขาอาจจะเพราะขาสั้นก็ได้เห็นไหมถ้านอกเรื่องแล้วชอบนี <c oughs> ่ความสุขจับฟันเลย ฟังธรรมะแล้วซึมังเกณฑ์ไหมใจเราไม่คงที่เอลงพ่อแย่ปุ๊บใจเราไหวขึ้นมาใจเรามีความเคลื่อนไหวใจเรามีความสุขมีความเบิกบานเราขาดสติเวลาที่จิตมีราคะนะมีความสุขได้เพราะฉนั้นถ้าเวลามีความสุขไม่จาเป็นนะไม่จําเป็นว่าจิตต้องเป็นกุศลจิตมีราคะเนี่ยมีความสุขได้ังเกณฑ์ไหมจิตพวกเราตอนนี้นิ่ง เริ่มกลับมานิ่งอีกแล้วรู้สึกไหมนะจิตมันนิ่งลงมาก็รู้สังเกตไหมตอนนี้เริ่มคิดฟุง้งซ่านดูออกไหมส่วนใหญ่เริ่มคิดทุบป๊บปั๊บสังเกตไหมส่วนหใหญ่เริ่มเพ่งนะส่วนใหญ่เริ่มเพ่งต้องเล่นอย่างนี้แล้วเล่นทีละคนไม่ไหวนะไม่คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงถูม เดี๋ยวจิตก็สุขนะสุขก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเป็นอุเบกขาขึ้นมาเฉยๆเฉยๆอยู่ชั่วคราวนะพอไปเพ่งเขาก็เครียดๆหนักๆแน่นๆขึ้นมาไม่สุกแล้วกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาแนละ้เห็นไหมสุขก็ชั่วคราวเฉยๆก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวก็แค่มีส ต, ติตามดูความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆที่ยากอะไรนักหนานะไม่ยากหรอกตามดูลงไป มันมีแต่ความเคลื่อนไหวมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ในกายในใจนี้ตลอดเวลานะถ้าดูจิตดูใจได้เห็นจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ก็ดูจิตไปดูจิตไม่ได้ดูกายไว้ก็กายเป็นบ้านของจิตจะหาเจ้าของบ้านไม่เจอนะมาเฝ้านาบ้านดูจิตก็ไม่เห็นดูกายก็ไม่เห็นก็ทาสมถะนะทำความสงบมาพุโทโธพุโทโธพุโทโธไป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 พุทโธอย่างเงี้ยสบายสบายไปนะไม่ถนัดพุดโทโธเอาอย่างอื่นก็ได้ถนัดรู้ลมหายใจก็ได้ถนัดรู้ท้องพองยกลก็ได้ขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้รู้อิริยาบทสีก็ได้เหมือนกันหมดนะ่ะใช้ได้ทั้งนั้นอ่ะนะงั้นเราฝึกไปนะเราทําความสงบสบายใจมีความสุขมีความสบายมีสติระลึกรู้ว่าจิตมีความสุขขึ้นมากลับมาดูจิตได้ลนะงั้นบางทีเราก็ต้อง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 คราบเสร็จแล้วจะมีความสุขเดินออกมาเนี่ยเห็นจิตที่มีความสุขแล้วง่ายๆไม่ยากอะไรแล้ะไปทันข้าวนิมนต์ท่านอาจารย์ครับนิมนต์